ไอตัวอวิชาสังขารตรงนั้นเน่เป็นกลุ่มสมุทัยว่างเป็นสมุทยสัจจะตัววิญญาณนามโรคตรายตนาภาษาเวทนาเนี่เป็นตัวทุกขสัตย์ว่าไงทีนี้ถามว่าแล้วยาล่ะเออยามันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะตรึกยังไงมันจะลงไปหาสู่ยาได้ใช่ไอะไรล่ะอะไรล่ะมันคือยา อ, อ, อะไรคือยาและอะไรคือการหายจากโรค ถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้ท้าวรแล้วไม่มีวิญญาณนามรูปสารายตนภัษาเวทนาสืบต่อในพบต่อดีตรงนี้แปลว่ามันหายใช่ไหมเออโลกมันหายเด็ดขาดแล้วยาตรงนั้นเขาเรียกว่ามันจะต้องลงสิกขาสามอย่างยกตัวอย่างเน่มันจะลงไปในสิกขาสามยังไงอยกตัวอย่างเช่นว่าเอาอาศัยตาและรูปมเกิดจากขวิญ ญ, ญาณเนี่ย ไอตัวสีสีนั้นเนี่ยเห็นไหตัวสีสีนั้นตัวอายตนะนั้นตัวรูปายตนะที่ทําให้อายตนะเกิดขึ้นเนี่ยนะถามว่าเมื่อมีปฏิสัณฑ์วิญญาณเกิดขึ้นมามีนามรูปมีนามรูปมีอายตนะเห็นไหมเมื่อมีอายตนะคือมีสีถามว่าเมื่อสีปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราจะรักษาในยาเกิดไหม เราจะมองรูปารมมองสียังไงให้เป็นไปกับอธิศีและสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทำให้ยากก่าวคืออริยมรรคในะปรากฏเกิดขึ้นในทุกๆอารมณ์ได้ะจะทำยังไงใช่ไหมนี่คือยาแก้ใช่ยารักษาทีนี้ปัญหาในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นบอกว่าถ้าไม่เห็นเบื้องหลังของสีอวิชชาปิดตัมันก็สร้างโรคอีกแล้ว มันก็สร้างานก็สร้างโรคขึ้นมาใหม่อีกแล้วสร้างวิญญาณนามรูปสรายนาืผัสษาเวทนาแต่ถ้าหากเห็นสีรู้เบื้องหลังของสีว่ามีดินน้ำไฟลมเหม่นไมีสีกลิ่นรสโอชาธาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ เต็มไปด้วยสีคือผมสีคือขนคือเล็บคือฟันคือหนังเนี่ยเกิดจากกรรมเป็นสมูทฐานจิตเป็นสมูทฐานแล้วก็ประมวลอาทิสรีและสิกขาเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นประมวลยังไงก็บอกว่าเห็นสีแล้วเนี่ยทำกุศลศีลให้เกิดขึ้นแปลว่าถ้าหากว่าในกลุ่มของปานาติบาตก็คือสังวรนสังวรระวังงดละเว้นสีสีนั้นไม่ฆ่า สีสีนี้เป็นเหตุแห่งการไม่ลักไม่ประพฤติผิดต่อสีสีนี้ไม่ล่วงละเมิดสีสีนี้ไม่พูดเท็จต่อสีสีนี้และก็ไม่ประมาทต่อสีสีนี้เป็นต้นทํากุศลกรรมาบทสิทธเนื้อฝ่ายกันว่าถ้าพระก็ดึงเอาศิกขาเอาพระวินัยมามามาปฏิบัติต่อสีสีนั้นให้ถูกนี่ได้อธิศีลสิกขาดีใช่ไหม คือสุดจริตมันดีอ่ะพอสุดจริตดีพออาศัยศีลดีสุดจริญดีใช่ไหมเขาถึงบอกใช้ศี น, นั้นเขาบอกว่าลักษณะของศีลเนี่ยเขาอยู่ในฐานะเป็นสมาทานะอย่างหนึ่งคือตั้งมั่นน่ยลักษณะของการตั้งมั่นตัวสมาทานอย่างหนึ่งสมาทานในการที่จะงดเว้นในตัวศีนนี่นะ สมาทานในการจะงดเว้นบาปอากุศลทางกายทางวาจาและก็ตั้งมัน่นแล้วก็เป็นที่ตั้งให้กับคุณธรรมเบื้องสูงมีสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนี่ยนั่นอย่างหนึ่งให้สังเกตในตัวตัวศีลเนี่ยตัวที่ศีลจะเกิดขึ้นมาได้แปลว่าลักษณะการสมาทานในสิ่งที่จะไม่ประพฤติและที่จะประพฤติออย่างยกตัวอย่างแต่พระสมาทานที่จะไม่ร่วงละเมิด ศึกขาบทแล้วก็สมาทานในการที่จะประพฤติอุปชายวัดอาจาริกรวัดเป็นต้นเนี่ยนะวัดของการอุปถากดูแลอุปชาอาจารย์วัดในการกวาดวิหารลานประเจดีวัดในการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆถ้าเป็นคารวะก็คือว่างดเว้นจากบาปอย่างหนึ่งแล้วก็ประพฤติอุปถากดูแลพ่อแม่ หรือผู้มีอุปการละคุณเป็นต้นนั่นอย่างหนึ่งนี่เป็นศีลนี่ยใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เป็นศีลนะอย่างนี้เขาเรียกว่าและประการต่อมาก็คือว่าเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยเป็นคุณธรรมชั้นสูงใช่ไหมว่าสมถะสี่สิบกองเนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าอธิศีลไม่ดีเนี่ยตั้งอยู่ได้ไหมตั้งไม่ได้หรอกถ้าหากว่าศีลไม่ดีเนี่ย ฐานของศีลไม่ดีนี่สี่สิบกองนี่ตั้งไม่ได้กองของสมาธิคุณธรรมเบื้องสูงที่จะมารองรับถามว่าสามารถจะเป็นที่รองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือสมาธิได้หรือไม่และถ้าสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่ต้องพูดแล้วแต่นี้ยถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็ต้องบอกศีลเนีมย嘛เขาว่าสุดจริตสามเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาศีลเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดอะไรนะศีล น, นี่เป็นปัจจัยเกิดเลยปิติหรือปาโมด เป็นปัจจัยเกิดปปวิปวิปปติสารอาวิปปติสารอาวิปปติสารเป็นปัจจัยเกิดปาโมดปราโมดเป็นปัจจัยเกิดปีติใช่ไหมไอ้ปีติเป็นปัจจัยเกิดปัสสัทธิปัสสัทธินะั้นเป็นปัจจัยเกิดสุขสุขถึงเป็นปัจจัยเกิดสมาธิดูสิฉะนั้นศีลนั้นต้องตั้งมั่นอย่างดีนะต้องตั้งมั่นอย่างดีนะึจึงจะเป็นที่รองรับคุณธรรมถ้าหากเรามองในลักษณะอย่างนี้ปฏิจจานี่นะ ลักษณะปฏิจจาที่บอกว่าถ้าเราลงอริยสัจไม่ได้แสดงว่าท่านบูนนั้นเอาปฏิจจามาปฏิบัติในชีวิตจริงไม่ได้นะแต่แล้วนะเห็นัหยว่าถ้าหากกำหนดเป็นกำหนดถูกเนี่ยตัวปฏิจจสมบัติตรงนี้เป็นโรคแล้ววิญญาณนามรูปตรายตระนาัภาสาวเวทนาเนี่ยเป็นโรคไอตัวอวิชาสังขารปัญหาพวกนีเน้เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวสมุฐานของโรค เป็นตัวเชื้อโรคเป็นตัวสมุธฐานของโรคนั่นแหละเป็นเนีเป็นสมุธฐานของโรคทีนี้เราจะหายาเนี่ยตัวถ้าถามว่ายาเราจะไปวิ่งที่ไหนมันก็อยู่ในรูปอารมณศัทธารมคันธารมลภาษาลมโภทพารมเนี่แหละโอ้เงี้ยนีไอศีลมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาที่ศีลและสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขามันก็อยู่ในอารมณ์หก และความทุศีลเป็นต้นมันก็อยู่ในอารมณ์หกนี่แหละมันอยู่ตรงนี้ฮความทุศีลความพื้นผู้มีศีลเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงเนี้ยท่านต้องบอกว่าสุดจริตสามจะได้หรือไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ารู้จักที่จะทําศิกขาสามให้เดินไหมถ้าชีวิตไม่เป็นไปกับศิกขาสามโอ้เป็นชีวิตที่น่าคิดนะ อ๋อมันอยู่ที่ว่าตรงนั้นบาปมันเดินมากแค่ไหนเพราะจริงๆแลแ้วด้าในอกุศลอกุศลนี่มันมีอกุศลกรรมบทสิบใช่ไหมสีบางสีก็ทำปานาติบาตให้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้ทำอาทินนาทานกาเมียสุมิชชาตานมุสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสวาจาและสัมผัพพลาปะเป็นต้นให้เป็นไปสชชาติหมายถึงอ๋อถ้าหากว่าในขณะที่อกุศลนจิตเกิดขึ้นใช่ไหม ในขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นมันก็บวกมาด้วยธรรมที่สัมยุญยศอยู่แล้วธรรมที่สัมยุญยศกันอยู่แล้วทีนี้ก็าถามบอกว่ามันจะทําบาปได้มากหรือได้น้อยอันนั้นมันก็อยู่ที่ว่าท่านเหล่านั้นปารบบาปกี่ข้อเนี่ยแล้วว่าใจที่มันจะยับยั้งบาปได้เมื่อไหร่กันนั่นเองจริงๆว่าไม่เท่ากันนะนะเรื่องบาปไม่เท่ากันปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมต้องบอกว่าจริงๆเวลาพวกเราจะทําชั่วก็ทําชั่วกับ อารมณ์6ทำบุญทำบาปก็ทำอยู่กับอารมณ์หเนี่ยถึงบอกว่าถ้าหากว่าทำศิกขาสามเดินได้ในชีวิตจริงนะก็แปลว่าอาริยมรรคหรือไม่ค้อภยัยมรมีองค์แดเดินนะมรแ8ดทำมรคษัตย์ให้เดินนะอาจจะไม่ครบนะแต่นั่นแหละมรคษัตย์เดินใช่อย่างยกตัว อ, อย่างเช่นบอกว่ า, วาความสังวรใช่ไม ความสังวรเกิดขึ้นนะว่าเออถ้าเห็นสีสีนี้แล้วบาปไม่เกิดทางกายทั้งวาจานี่สีลเกิดนะท่านผู้นั้นสีลเกิดแล้วทีนี้เราใจไม่เป็นไปกับบาปเลยในขณะนั้นใช่ไหมใจไม่เป็นไปกับบาปแล่นในขณะเดียวกันปัญญาก็ไปพิจารณาเห็นแยก แ, แยะอะไรได้ด้วยตัวนี้ต่างหากจึงบอกสีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมาถึงบอกว่าท่านเรียนต่อไปนะถ้าจนชนานาญตรงนี้ ถ้าได้มีโอกาสเดี๋ยวจะแยกแยะเอาแยกแยะศีลบอกว่าผู้มีศีลดีจะเป็นปัจจัยให้เกิดวิชาสามได้ยังไงถ้ามีสมาธิจะเป็นปัจจัยให้เกิดอภิน ญ, ญาหกได้ยังไงถ้าปัญญาเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยเกิดปฏิสัมพิทาญาณสีได้ยังไงเออมันจะเป็นไปอย่างนี้นั้นว่าเออบุคคลบางคนที่มาตรัสรู้มาบรรลุในปัจจุบันเนี่ย มีพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านเหล่านั้นได้ทั้งวิชาสามอภิญญาหกแล้วก็ปฏิสัมพิทาสี่เพราะศีลท่านเป็นปัจจัยแก่ปุบวิชาสามสมาธิเป็นปัจจัยแก่อภิญญาหกแล้วก็ปัญญาอาธิปัญญาของท่านก็เป็นปัจจัยให้กับปฏิสัมพิทาสี่เดี๋ยวต่อไปยอมหมูแล้วเรามั่ง <laughs> ใช่ไหม เดี๋ยวเรามั่งตัวเงินเดี๋ยวต่อไปเรามั่งมงกรก็โหยบรลลได้แห่งๆลอยๆเนี่ยนะยแต่เขาไา่ได้บรรลุเพื่อเง้นเห็นไหมว่าคนที่ศึกษาดีเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาเขาบรรลูเนี่ยโรลดแลนมากให้สังเกตตัวตอนที่พระบรมศ า, าสดาจะเสด็จเสด็จดบัขันว่าป ร, รินิพานใช่ไหมโอ้หพระานนท์ก็ดีใครก็ดีนะคารวะา ที่ท่านไม่มีบุญมากเลยนะประเภทที่ไม่มีทิพะจักรคุยายาในถามเลยพระเถระตอนนี้ความเป็นอยู่ของเทวดาเป็นกันอย่างไรโออยากจะรู้เลยนะเทวดามาชุมนุมกันเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นเลยเห็นไหมนี่คนที่ไม่มีตาทิพย์เนี่ยดูไงก็ไม่เห็นแต่ท่านพระนรุธาบอกว่าท่านทั้งหลายบอกว่าเข็มเนี่ย ปลายเข็มจะจะลดลงยังไม่มีที่จะว่างเสียบลงเลยคือเทวดาแออัดกันถึงพันนั่นว่ายันขอบจั ก, กรวาลเลยว่างันเนะ่ยโอ้โหมุดเลยว่างั้นเด้แล้วก็เลยถามออล้วอาการของเทวดานะ่ะเป็นอย่างไรอ่ะอยากจะรู้ว่านี่เทวดามีอาการเป็นอย่างไรท่านพระอนุรุธทธะเขบอกว่าเทวดาบางหม่ก็สําคัญว่าพื้นอากาศเป็นแผ่นดินนู สำคัญอากาศเป็นพื้นแผ่นดินบางทีก็สำคัญว่าพื้นแผ่นดินเป็ น, น, ปนอากาศเลยวะดินจะยายผมไปมาร้องไห้ในการจากไปในการขําควรของการจากไปที่พระบรมศ า, าสดาน ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันธปรินิพานจะแล้วท่านบอกอปฐีบดับซะแล้วปัญญาดับว่างั้นนะ่ แสงทำดับแล้วต่อไปพระรูปที่เราจะเห็นก็ไม่ได้เห็นพระสุรเสียงที่เราจะได้ยินก็ไม่ได้ยินพระธรรมเทศนาที่จะยังลึกซึ้ง้าสูกสส่กระแสจิตก็จะเงียบดับหายไปเซะแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านี้ท่านฟังแล้ว ท, ท่านท่านซาบซึ้งใช่ไหมแต่อย่างเราฟังฟังดูโอ้โหมันเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยคือมืดจริงจริงใช่ไหมเราเนี่ยมืดจริงจริง พราะไม่ได้มีอาทิสีนอาทิ จ, จิตและอาทิปัญญาในอดีตเลยไม่มีวิชาสามอภิญญาหกแล้วก็ปฏิสัมพิทาสื่เลยต้องรีบมาตามเรียนที่หลังเงี้ยใช่ไหมจ๊ะคิดไปน้อยใจไหมในลำดับแห่งขันทั้งหลายและก็ธาตุอายตนะทั้งหลายเป็นอยู่ไม่ขาดสายเรียกว่าสังสารวัฏเนี่ยเนี่ย สังสารวัฏนี่พระพุทธมีพระภาคเจ้ากล่าวว่าไม่มีเบื้องต้นคือหาที่สุดไม่ได้ที่สุดทั้งเบื้องต้นและที่สุดในเบื้องปลายเนี่ยหาไม่ได้ถามว่าเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดที่เรียกว่าหาเบื้องต้นไม่พบเนี่ยนะประการแรกจริงๆท่านเอาอะไรรู้ไหมท่านเอาน้ําตาประการที่สองก็คือน้ํานมประการที่สามก็คือน้ําเลือดคําว่าน้ําตาเนี่ยนี่ย ก็หมายความว่าในเบื้องต้นในสังสารพัทที่ยาวนานที่ผ่านมาเนี่ยน้ำตาของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมากกว่าน้าในมหาสมุทรมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทีนี้และท่านมาแยกย่อยอีกนะบอกว่าเอาน้ำตาที่ร้องไห้เพราะบุคคล น, นั้นเป็นที่รักอย่างเดียวเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทร เอาแค่ว่าสมมุติว่าร้องไห้เพราะแม่ตายเียมากกว่าน้ำในมหาสมุทรร้องไห้เพราะพ่อตายก็มากยกว่าน้ำในมหาสมุทรร้องไห้เพราะคนนั้นเป็นที่รักตายเนี่ยนะก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรลักษณะอย่างนี้คือเอาน้ำตามาเป็นข้อเปรียบเทียบอันนั้นสังสารวัตที่ผ่านมาประการต่อมาก็คือน้ำนม เขาบอกกับสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะที่กินเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องการที่บอกว่าที่กินนมเนี่ยเนี่ที่จะต้องดูดนมมนารดาเนี่ยว่าดูดดูดนมจากแม่เนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เราจะต้องดูดที่ผ่านมาเนะนั่นมันมากกว่านั้นมากกว่าน้ำในมหาสมุทรประการต่อมาก็คือเลือดถามว่าสัตว์ทั้งหลายที่ต้องถูกฆ่าเพราะสูญเสียเลือดเนี่ย ท่านในอดีตที่ยาวนานที่ผ่านมาก็คือมากกว่าน้าในมหาสมุทรอันนี้เขาเรียกว่าเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาน้ำนมเอาน้ำตาเอาน้ำเลือดเป็นข้อวัดสังสารวัตที่ผ่านมาถ้าหากว่าสังสารวัตในเบื้องปลายที่เราจะต้องไ ป, ปเผชิญข้างหน้าถามว่าอีกยาวนานแค่ไหนเอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านบอกว่าเอาพระโสดาบันเขบอกพระโสดาบันเนี่ยนะ ก็แปลว่าความทุกข์ของพระโสดาบันเนี่ยเหมือนน้ำเจดหยดแต่ความทุกข์ของปุถุชนที่ยังไม่ได้แทงตลอดในอริยสัจในปฏิจจานี่นะเหมือนน้ําในมหาสมุทรอันนี้มองเห็นจุดต่างแล้วนะทีนี้ประการต่อมาคือใช้เมล็ดผักกาดความทุกข์ของพระโสดาบันเหมือนอะไรเหมือนเมล็ดผักกาดอีกเจดเม็ดก็แปลว่าท่านเกิดอีกไม่เกินเจชาติท่านปรินิพานใช่ไหม พระสวสดาบาลเนี่ยแต่ความทุกข์ของปุถุชนเนี่ยก็คือนั่นแหละน้ำในมหาสมุทรอึกข้ออภัยความทุกข์ของปุถุชนก็เหมือนกับมหาปตพีฝุ่นในมหาปตพีประการต่อมาก็คือเอาฝุ่นในเล็บเป็นเครื่องเปรียบเทียบความทุกข์ของพระโสดาบาลเหมือนฝุ่นในเล็บฝุ่นที่ติดเล็บเนี่ยส่วนความทุกข์ของปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเหมือนฝุ่นในปตพี นี่เขเปรียบเทียบอย่างไงมองอีกจุดหนึ่งนะท่านบอกว่าหนึ่งกับเนี่นะสังสารวัตรที่เราไม่แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทในสังสารวัตรเนี่ยนะหนึ่งกับเนี่ยยังไงวัดยังไงกระดูกกองโตเท่ากับภูเขาวเวพาละภูเขาวเวพาละนี่ก็คือเป็นลูกหนึ่งในภูเขาห้าลูกในกรุงราชเกลืกลอถ้าหากเรามองอย่างเนี้มันจะเริ่มเห็นนะ ว, ว่า จริงๆนะสังสารวัตรเนี่ยเหมือนนี่ในหลักสูตรที่เราศึกษามาก็บว่าธรรมดาคนบอดแต่กำเนิดไม่มีผู้นำไปใช่ไในการบางครั้งย่อมไปตามทางในการบางครั้งย่อมเดินหลงทางแม้ชั้นใดคนพานก็ฉันนั้นเมื่อทอดท่องเที่ยวไปในสังสารวัตไม่มีผู้แนะนำไอ้คำว่าไม่มีผู้แนะนำเนี่ยคือว่าอะไรไม่เห็นพระอริยไม่ได้ฟังธรรมของพระอริยเป็นต้นเนี่ยนะ ในการบางข่าวก็ย่อมทำบุญในการการบางข่าวก็ย่อมทำบาปอันหนึ่งเมื่อใดคนพานนั้นรู้ธรรมนั้นแล้วตรัสรู้สัจจะทั้งสี่ได้แล้วเมื่อนั้นเขาจะเข้าไปสงบอวิชชาสงบแล้วก็จะเที่ยวไปลักษณะอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าไอการศึกษาในหลักคําสอนในปฏิจจสมุปบาทไอคําว่าสังสารวัฏเนี่ยผู้ลหลงไหลอยู่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยนะ หลงไหลหรือหลงทางกันทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้นะถ้าในปัจจุบันชาตินี้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์เนีเ่เสียหายไหมเสียหายไหมมันยาวนานขนาดเนี้ย <c oughs> เสียหายเนี่ยนอนถ้าไม่ประพฤติพรหมจรรย์นะเขาบอกรีบซะรีบประพฤติพรหมจรร ย, ย์บางทีท่านยังอุปมาแยกแปลกย่อยออกมานะอก ว, ว่าเอาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเช่นว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะมากลับมาเป็นมนุษย์อีกเนี่ย ฝุ่นในเล็บมะเอาเนี่ยรักษาสภาพเขาให้ได้เป็นมนุษย์เนี่ยจะกลับได้อัตภาพมนุษย์อีกเหมือนฝุ่นในเล็บนอกนั้นลงอบัยภูมิทีนี้ในปัจจพีเนี่ยไหมบอกในปัจจพีนั้น่ะแปลว่าลงอบัยภูมิปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราตอนนี้เรากําลังมาร่อนใช่ไหมร่อนเพื่อให้เป็นฝุ่นในเล็บให้ได้อะเอาทิมันต้องทําอัตรถามได้ไหม ไม่แน่จริงเนี่ยไม่ได้ไม่ประพุทธพรมอาจารย์จริงๆเนี่ยไม่ได้รักษาสถานะไม่อยู่ไม่อยู่แน่ๆถ้าเรื่อเสียแชมป์เ ด, ดียนะ๋ยวแชมป์ถาวรเนี่ยกว่าจะชิงแชมป์ได้อยังโหยากทีนี้สมมุติไปเกิดเป็นสัตว์นรกจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนฝุ่นในแล็บอีกนั่นแหละเขาอุปมางั้นอนะ่ะอุปมาเทียบไปลแล้วอุปมาเปรียบเทียบไประวังใครระวังใครค้นก็ เออข้อพายระหว่างไข่ปลาเนะ่ในท้องปลากับการว่าจะเกิดในท้องคนคนหนึ่งหรือมันต่างกันขนาดนี้ไข่ปลานี่หลายร้อยนะแต่ในท้องคนบางทีได้คนเดียวนะนั่นแหละนั่นแหละเปรียบเทียบง่ายๆงีย้ยถ้าในลักษณะอย่างนี้ทั้งเพราะอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนคําว่าทุกนี้มีความเบียดเบียนเป็นอัดนะปีรณโถนะี่ยเบียดเบียนจริงๆ แล้วก็สังคตัดโถก็คือปรุงแต่งด้วยใช่ไหมปรุงแต่งแล้วก็เล่าร้อนด้วยก็มีความแปลปวนด้วยเบียดเบียนบีบคั้นปรุงแต่งเล่าร้อนแล้วก็แปลปวนมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมว่าทํำยังไงเนอะเราจะเห็นทุกขสัจข้อนี้เนียเราจะเห็นได้ยังไงโอ้ร้อนจริงๆ ร, ร้อนเปิดท่านลมหมาอีกไม่ใช่ไม่ใช่เห็นอย่างนั้น ไปเกิดตรงไหนมันเล่าร้อนเน่ยไปเห็นต้องเห็นเห็นขันด้วยความเป็นความมันเลาร้อนจริงๆอไ ง, งเห็นว่าเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วก็แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้ามันเห็นในลักษณะอย่างนี้จริงๆไงถือว่าโอ้เห็นทุกข์แล้วแล้วมันเห็นทอดของสมุทยัยถึงขนาดว่าอุฒิประมวลทกขมาให้ไหมเห็นขนาดนั้นไหเห็นเนี่ยเห็นหมูเอาวิชาเนี่ยนะเอาวิชาเนี่ยตัณหาเนี่ย กลุ่มกรรมเนี่ยเขาประมวลทุกมาให้เนี่ยเคยคิดขนาดนั้นไหมเนี่ยเขาประมวลทุกมาให้เราเนียแล้วเป็นแดนเกิดนะเป็นเหตุเกิดของทุกนเนะว่างนั้นไหแล้วก็ยังประกอบไว้ในความทุกข์ด้วยและอย่างหนึ่งก็โหเป็นเหตุถึงความกังวลอย่างมากมายว่างนั้นดูมันไม่เห็นอย่างนั้นใช่ไหมประการต่อมาก็คือว่าอจะสลัดออกจากความเล่าร้อนจะสลัดออกจากความทุกได้ยังไง ด้านในที่สุดจริงๆก็คือว่านําออกจากทุกเน่ยเป็นเหตุเนี้ยแล้วก็จะทํำยังไงถึงจะเห็นพระนิพพานได้แล้วก็จะปฏิบัติไปเพื่อเบือนนายคลายกำหนัดได้อย่างไรเป็นต้นถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าการที่ไม่แทงตลอดขันธาตุอายตนะนี่เป็นโทษมากนะเป็นโทษเป็นความเสียหายอย่างยิ่งๆๆๆอัปปะการต่อไปก็คือเรียนในเรื่องของคําว่าผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาหรืออะไร หรือเวทนาเป็นปัจจัยแก่ทนาถึงไหนแล้วผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาอธิบายเรื่องเวทนาไปหรือยังสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาอธิบายแล้วใช่ไหมที่จริงในเรื่องของนิเทศของเวทนาเนี่ยนะเวทนานั้นท่านกำหนดไปตามทวารใช่ไหม จักขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหากายชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนาและมโนสัมผัสชาเวทนาวะเงินก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุคคมสุขเวทนาได้กลายเป็นเวทนาสิบแปดสามหกสิบแปดไหมแยกไปตามสุขเวทนาเสหกทุกขเวทนาเสอหกอทุคคมสุขเวทนาเสีย หก็กลายเป็น368หกที่นี้ในเวทนาเหล่านั้นจริงๆเวทนาประกอบได้ในจิตเท่าไหร่แปใช่ไหมในบรรดา89นั้นแต่ตรัสเวทนาที่ประกอบเฉพาะโลกียวิปากจิต32มสเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นคําว่าผัสสะปัจจยาในที่นี้จึงเอาเวทนาที่สหลคตหรือประกอบกับโลกียวิปากจิต 32สองนะไม่ได้เอาเวทนาในิจปิต89ว่างั้นนะในที่นี้คือในปฏิจสมุมบาทวิพังหรือทีนี้ในบรรดาผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาถามว่าผัสสะหเป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่เวทนาหกได้อานาจปัจจัย8ดนะนะทีนี้ในปัญจทวารล่ะ ถ้าเรามองอย่างนี้บอกว่าผัสสะหมายถึงจักขู่สัมผัสสะเป็นต้นเป็นปัจจัยแก่แก่อะไรจักขูสัมผัสสะชาเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะถามบอกว่าผัสสะมีจักขู่สัมผัสสะเป็นต้นเป็นปัจจัยแปดอย่างแก่เวทนาทั้งห้าได้เวทนาห้าไหมมีจักขู่ประสาทเป็นต้นเป็นวัตถุที่เกิดด้วยอานาจแห่งาชาตาอัญญามัญญานิสยวิปากะ อาหาลสัมบยอดอัฐิและอวิคตะได้ไหมทีนี้ภาษามีจักขู่สัมปัสสะเป็นต้นเป็นปัจจัยอย่างเดียวไหมคืออุปนิสยปั จ, จัยแก่เวทนาที่เหลือคือเวทนาที่เป็นปลายอุยบายของกาลมาวาจรนั่นเป็นไปด้วยอำนาจแห่งสัมปติชนะสันติระนาโวทับและตถารมณาในตในทวารแต่ละทวานนั้นๆเป็นอุปนิสยปั จ, จัยไหม เป็นอุปนิสยปัจจัยตรงนี้ต้องเขียนวิถีให้ดูเห็นไหมทำไมเขียนเนี่ยโดยเชื่อมโยงต้องดูตารางวิถีหน่อยทดูในปัญจทวารวิถีอ่ะดูจักขูทวาริกะอติมหันตารมวิถีตถารมณวาละให้ดูตรงนั้นนะนะไม่ต้องในนั้นหรอกแต่จริงๆนะมันได้เขาไม่ได้แสดงไว้งไงแต่ในอาจารย์ดูในพระไตรวิฎก ในสติปัฏฐานวิพังไม่ได้ไปเกินแต่หมายความว่าถ้าในแง่ของสหชาตชาติใช่ไหมท่าในแง่ของสหชาตชาติหลยเมื่อตะกี้ที่พูดเตลิดออกไปไม่ได้พูดในแง่ของสาชาตชาติแต่ถ้าพูดในแง่ของสาชาตชาติเช่นจักขู่สัมผัสสะเป็นปัจจัยแก่จักขู่สัมผัสสชาวเวทนาอางนั้นเลอันนี้เป็นสหชาตชาติใช่ไหมถ้าสหชาตชาติได้ยังไง สาชาตะสาชาตานิสยสาชาตัดทีสาชาต ะ, าาาต ะ, าาตะอวิคตะนี่คือสาชาตชาติใหญ่แล้วก็ได้อัญญามัญญะได้วิปากะได้สัมปยศใช่์แล้วได้อะไรกัได้นามะอาหารปัจจัยนามอาหารผัสสะเป็นอาหารไหมเป็นอะไรเป็นผัสสอาหารฉะนั้นจึงได้ปัจจัยเล็กได้สาชาตชาติเล็กหนึ่งปัจจัย ฉ น, นสาชาตชาติเล็กหนึ่งสาชาตชาติกลางสสาชาตชาติใหญ่สรวมเป็น8ปัจจัย8ปัจจัยแต่ถ้าหากจักขู่สัมผัสสาคือภัสสเจตสิกที่ไหนจกักขูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่สัมปติชนะเป็นปัจจัยแก่อะไรเวทนาในสัมปติชนะเวทนาในสันติรณ ะ, เ ว, ณะเวทนาในตัทธารมณนะในวิถีเดียวกัน อันนั้นด้วยอํานาจของอุปนิสยปัจจัยอันนี้ปัจจัยเดียวอ่ปัจจัยเดียว น, นี่เป็นอย่างนี้ได้อุปนิสยฉะนั้นถ้าหากมองในแง่ของคําว่าถามบอกว่าด้วยอํานาจแห่งอุปนิสยปัจจัยแก่กามาวิบากเวทนาที่เหลือซึ่งเป็นไปด้วยอํานาจแห่งสัมปติชนะสันติรณะและตถาธรรมะในแต่ละทวารบอกงั้นในแต่ละทวารมันจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ แม้ในมโนทวารแม้ในมโนทวารภาษานั้นก็เป็นปัจจัยเหมือนเหมือนอะไรถ้าภาษะเป็นปัจจัยในทางด้านของสหาชาตปัจจัยเนี่ยนะยในด้านของสาชาตชาติจจเนี่ยนะก็อำนาจปัจจัยแปดอำนาจปัจจัยแปดที่ว่ามาสักครู่เนี่ยที่บอกว่าอย่าไอเกี่ยวกับในเรื่องของภาษะเป็นสาชาตชาติจจเล็กนี่ก็เป็นนามอาหารและปัจจัย ใช่ไงมได้ผัสสาหารแล้วก็สาชาตาปัจจัยสาชาตานิสยาสาชาตัทีสาชาตะอาอวิคตะานั้นคือกลุ่มสาชาตชาติใหญ่แล้วสาชาตชาติกลางก็คืออัญญามัญญาปัจจัยวิปากปัจจัยแล้วก็สัมปยุตตปัจจัยก็ได้แปดอันนั้นในกลุ่มของมนโนสัมผัสะเป็นปัจจัยแกม่มโนสัมผัสชาเวทนา นี่เข้าใจนะฉะนั้นถ้าถามบอกว่าถ้าหากผัสสะคือสหาชาตะมโนสัมผัสสะเป็นปัจใจแปดปัจใจดังที่ได้กล่าวเหมือนการแก่เลยกามาวาจรวิบากเวทนาที่เป็นไปด้วยหน้าเทิงตาธรรมณะในมโนทวารถามว่าถ้าในมโนทวารเนี่ยต้องไปดูในไหนดูตาธรรมณะนะ ในตทาธรรมนาะในจิตดวงเดียวกันในยหมูเห็นไหมมโนทวาร เ, เขียนมโนทวารลวิถีในมโนทวารลวิถีมีตทารรมนาไหมตทารรมนาะนั้นคืออสันติสามหายบากแปดเป็นวิบากไหมเป็นวิบากผัสสะในนั้นมีไหมนั่นแหละผัสสะเจสิกในนั้นเป็นปัจจัยแก่วเวทนาในนั้นมีไหมนั่นแหละได้แปดปัจจัยนั่นแหละได้แปดปัจจัย ได้นามมหาหปัจจัยแล้วก็สาชาตชาติใหญ่สี่สาชาตชาติกลางสามเว้นสาชาติวิบสรุปก็คือได้แปดปัจจัยนี่เป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าเวทนาที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งมโนทวาร น, น่ยนะแม้ในวิบากในภูมิทั้งสามที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งปฏิสันทีผวังแล้วก็จุติอดูทิเช่นในขณะปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นนะในขณะนั้นมีภาษาไหม จิตที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิมีภาษาไหมมีมีไม่มีมีไม่มีมีทําไมไม่มีอาจารย์มะยมเชลีมีป่าปฏิสนธิจิตน่ะมีผวังไอ้มีมีภาษาไหมแล้วมีเวทนามไหมนั่นแหละได้กี่ปัจจัยแล้วผวังที่จิตแล้วมีภาษาไหมมีเวทนาไหมได้หน้าปัจจัยเท่าไหร่ในนั้นแล้วจุติจิตล่ะ นั่นแหละเป็นไปในภูมิสามในการมาภูมิปฏิสนที่วังจุติในกาในกามาภูมิปฏิสนที่ผวังจุติในรูปภูมิและในอรูป์ภูมิก็ได้อำนาจปัจจัยแปดอย่างดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เข้าใจแล้วนะนี้แหละเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าตรึกพิจารณาไปตามภูมินี่แบบ น, นี้แต่จริงๆนมันเป็นไปได้ทาไมจะไม่ได้ล่ะ แต่ว่าจริงๆควรจะเอามาที่พูดเนี่ยควรจะเอามาควรจะมาขยายใช่ไม่ใช่เพราะความเป็นจริงเป็นเช่นนั้นตนเลยแต่ยางว่าเนี่ยเขาต้องการให้เรารู้ย่ อ, ยอๆนี่แหละคือลักษณะของผรษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นอย่างนี้ทีนี้ผรษาเนะที่บอกว่าในมโนทวารเนี่ยในมโนทวารก็รกคืออย่างนี้นะ ถามบอกว่าผัสสะนี่นะเอาไล่าตามลำดับอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันถ้าหากผัสสะหกเป็นปัจจัยช่วยการลักษะเวทนาหกได้อำนาจปัจจัยแปดอันนั้นว่าโดยโดยรวมในยนะตรงนี้นะในแปดปัจจัยนั้นก็คือได้จริงๆเขาเก็บสารธารชาติเล็กก่อนนะโยมูเวลาคิดเนะี่ยเนี่ยก็เอานามหารปัจจัยมาก่อนเพราะว่าผัสสะเจตสิกเป็นภาษาหาน ก็ได้นามารับปัจจัยเมื่อสาชาติชาติเล็กมาแล้วเนี่ยใหญ่สี่ก็มาสบายสบายอยู่แล้วคือสาชาตา่าสาชาตานิสยะสาชาตีสาชา ต, าาชาตาวิคตาก็มาแล้วก็กลางนั้นได้ตามสมควรตามสมควรในที่นี้ก็คือได้อัญญามัญญาได้วิปากะเพราะเป็นวิบากจิตนี่แล้วก็ได้สัมปยุตตปัจจัยวิปากะปัจจัยได้แต่วิปยุตไม่ได้อันนี้ก็ตัดไป นั่นก็ได้แปดปัจจัยทีนี้ภาษาเนะี่ยมีจากขูส่สัมผัสภาษาเป็นต้นเป็นปัจจัยได้แปดอย่างใช่ไหมเป็นปัจจัยแก่แปดอย่างถามว่าภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาอะไรเป็นปัจจัยแก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาใช่ไหมสมณสเวทนาและอุเบกขาเวทโทมณสเวทนาก็ได้ใช่ไหมแล้วยังเป็นปัจจัยแก่เวทนาห้าแก่เวทนาห้า ถามว่าผัสสะมีจักขู่สัมผัสสะเป็นต้นเน่ยเป็นปัจจัยเดียวนะคือเป็นอุปนิสัยปัจจัยแกเวทนาที่เหลือแก่เวทนาที่เหลือที่เป็นไปในฝ่ายของกา ม, มาวาจรนิบากอันเป็นไปด้วยหน้าแทงสัมปติชนะสันติรณาและแตธารมณะในแต่ละทวารแต่ละทวารใช่ไหมเป็นไม่เป็นเข้าใจยังไงใช่ไหมผัสสะเป็นปัจจัยเหมือนกันแม้ในมโนทวารก็เรียกว่ามโนสัมผัสสะใช่ไหม แม้แต่จิตที่ทําหน้าที่พ้นจากทวารที่เรียกว่าจุติและปฏิสนธิ์เชื่อมั้ยตอนนั้นก็ยังมีอํานาจปัจจัยแปดเลยผัสสะในนั้นเป็นปัจจัยช่วยประกาศแก่เวทนาในเท่าในในปฏิสนธิหรือในจุติจิตนั้นแม้ในมโนทวารที่เป็นพวังเช่มั้ยพวังก็จระรานะเนี่ยก็มีแปดปัจจัยเนี่ยซึ่งเป็นไปด้วยอํานาจของอะไรถ้าหากอีกอย่างหนึ่ง ท่านในขณะที่ตาธารมณะจิตเกิดขึ้นในมโนโทวารลวิถีในตาธารมณะก็มีแปดปัจจัยดังที่ได้กล่าวแต่ถ้ามโนสัมผัสสะใช่ไหมที่สัมบยุทธ์ด้วยอาวชนะเป็นปัจจัยอย่างเดียวแก่อุปนิสยปัจจัยในทวารแก่เวทนาฝ่ายการมาวจรซึ่งเป็นไปโดยอำนาจแห่งตาธารมณะในมโนทวารลวิถีใช่ไหมมโนสัมผัสะที่สัมบยุทธ์กับอาวชนะมีไหมมีหรือไม่มีถามว่าและเป็นปัจจัยแก่อะไร ถ้าหากว่าเป็นมโนสัมผัสส์ที่สัมพยุดได้อวชนะตัวอวชนะนี่คือตัวอะไรมโนก็ได้ปัญจาก็ได้ใช่ไหมอันนี้ฝ่ายกิรยิยานะอันนี้หมายถวามว่าไอ้ตัวมโนสัมผัสส์เนี่ยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ถามบอกว่ามโนสัมพัสส์มโนสัมผัมสส์ถ้ามโนสัมผัสสในภวังอ่ะในภวังที่ที่ทำหน้าที่ภวังคุปเฉทะก็ดีเนี่ย หรือว่าตรงนี้เป็นต้นเนะี่ยที่จะไปเป็นปัจจัยแก่แก่อะไรอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่ามโนสัมผัสษาที่เหมือนกันกันกบสัมปยุทธกับอาวชนะใช่ไหมเพราะมันจริงๆนะี่มันจะคล้ายกันกับอาวชนะอยู่แล้วแต่ยังเอามันตัวมโนอยู่นะตรงนั้นอะไปเป็นปัจจัยแก่อะไรเป็นอุปนิสยปปจจัยในมโนทวานแก่แก่อะไรแกตธารมณนะ แกเวทนานะแกะเวทนาในตาธารมณะอันนั้นได้อานาจอุปนิสยปัจจัยนี่มองเห็นใช่ไหม<า>ย้อนหมูไม่เข้าใจนะตรงนี้ใช่ไหม<า>ใช่<า>นั่นแหละ<า>เขาเรียกว่าตัวมโนทวานาใช่ไหมท่าทางมโนนะตัวผวังคุปเชธาที่จริงๆแล้วเนะี<า>่ยใช่ไหม<า>แล้วก็เป็นปัจิจัยแก่เวทนาในตาธารมณะ เมื่อเป็นปัจจัยแก่ตทารรมนาแล้วในลักษณะอย่างนั้นเป็นอุปนิสยปัจจัยได้ปัจจัยเดียวเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังนะถามลองคิดดูที่ผัสสะเป็นเป็นปัจจัยแกเวทนาต้องไกลอะต้องผ่านมันต้องผ่านโชนนะไปเจ็ดขนาดใช่ไหมเมื่อชาวนาเจ็ดขนาดดับไปแล้วตทารรมนาที่เกิดขึ้นมาได้เวทนาในนั้นน่ะจะเป็นอุเบขาเวทนาหรือ สมณะเวทนาที่เกิดขึ้นนะ่ะเพราะอะไรเพราะภาษาในอาวชนะเออในในมนโท น, น, มนโทวานในในในมโนทวานนี้ที่สัมบยุทธกับอาวชนะท่านใช้ศัพท์ว่าสัมบยุทธแต่จริงๆก็คือคำคำนี้แปลว่าร่วมมือกับอาวชนะเพื่อตัดกระแสผวังนี่พูดอย่างนี้ขึ้นมานะ่ะไปเจอศัพท์อย่างนี้ขึ้นมาลรงงเลยอสัมบยุทธยังไงวะ มโนสัมปัสสะที่สัมพยุดด้วยอาวชนะเป็นปัจจัยอย่างเดียวคืออุปนิสยาปจจัยแก่มโนทวารแก่เวทนาฝ่ายกามรมอจจนซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจหนึ่งแต่ธารมอำนาในในในมโนทวารลวิถีตรงนี้นะในมโนทวารลวิถีนี่เป็นอย่างนี้คือจริงเนี่ยแต่ใช้ตรงนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ น, นั่นก็ต้องบอกว่าตัวผวังคูประเชทธาตนั่นแหละเพราะถ้าผวังคู่ประเชษธาเกิดขึ้นนีน่ต้องตัดกระแสไหมวิถีนั้น ตัดแน่นอนและเวทนาเกิดแน่ถ้ามีตาธาธรรมนะนั่นแหละเขาจึงเป็นอุปนิสยปัจจัยให้กับวิบากกล่าวคือตาธาธรรมานะั้นให้สังเกตดูนะว่าเขาเป็นปัจจัยให้กับเวทนาในปัจจุบันนภนี้เกิดด้วยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นคำว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นอย่างนี้เขามีกําลังนะมีกําลังทําให้เวทนาเป็นไปได้ทําให้วิบากเหล่านั้นเป็นไปได้ำทาทําให้อะไรทําให้ได้รับผล บุญผลบาปได้จริงๆทำให้เสวยผลบุญผลบาปได้จริงๆนะเพราะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับผลของบาปและผลของบุญได้ด้วยด้วยอะไรด้วยผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาด้วยประการอย่างนี้อย่งั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วก็จะเห็นนะว่าโอ้สังสารวัตที่มันไอความสืบต่อกันของขันท่อนาอายตนะเนี่ยมันมีปัจจัยนะมันไม่ใช่ไม่มีนะ ไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุใช่ไหมมีเหตุมีปัจจัยจริงๆอะนะทำมองอย่างนี้แล้วก็จะเห็นนะเอาต่อไปขึ้นตัณหาได้ยังต่อไปตัณหาตัณหานี่นะเวทนาปัจจะยาตัณหาสัมภวติตัณหาย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายเวทนาหเป็นเหตุเนี่ยนะคําว่าตัณหาตัณหาในที่เนี้มาจากคาว่าอะไรเนี่ย วัตถุการรมปริส ต, ตีติตันหาธรรมชาติใดย่อมติดใจซึ่งวัตถุกรรมฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าตันหาตันหาในที่นี้ติดใจในวัตถุกรรมย่อมสรีลองไล่ตามมหานิเทศในที่วัตถุกรมหมายถึงอะไรเอาใครใครไล่วัตถุกรมถูกอะไรคือวัตถุกรรมเนี่ยไล่วัตถุกรรมไม่ถูกถ้าหากว่าไปมองถึงในส่วนตรงนี้เป็นเห็นไหมว่าบางทีเนะี่ยย่อมเดืยบ บางทีกลุ่มพวกเราทั้งหลายแกพูดวัตถุ ก, กรรมนี่โอ้โหคิดนานมากนะ <laughs> เพราะอะไรรู้ไห <laughs> เพราะว่าจิตไม่เล่นไปในพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหจริงๆถ้ากลุ่มบุคคลที่เขาฟังทรมาจนช่ำชองอย่างดีพอบอกวัตถุ ก, กรรมนี่เขาตรึกไปตลอดสายได้ทันทีเลยใช่ไแก้วแหวนเงินทองนี่เขาตรึกได้หมดเลยนะะว่า เลือกสวนไล่นาโคแพะแกะไก่สุกรช้างมา้าบุคคลบริวารท่าหญิงท่าชายเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้คือวัตถุกรรมนะนะถ้ามองอีกทีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเหล่านี้เป็นวัตถุกรรมไหวัตถุกรรม น, ะรรมนั่นแหละแต่ก็ไปสมมุติกันเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมวัตถุกรรมใช่ไหมเหมือนสีสีนี้รูปรูปนี้แต่สมมติว่าอะไรเนี่ยนี่ยสมมติว่าเป็น เป็นกระป๋องใส่นมเป็นต้นอะใส่ใส่ใส่ขนมเป็นต้นวัตถุชินน้นนี้ไหมก็คือสีนั่นเองไหมคําว่าสียังไปแยกเป็นวัตถุกรรมอีกมากมายเสียงก็ยังไปแยกเป็นวัตถุกรรมอีกมากมายกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเนี่ยะนะฉั้นตัววัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเขาบอกว่าธรรมชาติใดย่อมติดใจซึ่งวัตถุกรรมไหมเราถามว่าในในโลกใบนี้เอาเราเราเนี่ยเนี่ย เอาตัวเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าติดใจวัตถุกรรมประเภทไหนมากที่สุดนี่ก็เริ่มจะดูไนะอ้ตรงนี้ตัณหาคือว่าไอ้ความที่ไปติดใจในวัตถุกรรมนั้นๆันั่นแหละอันนั้นเป็นตัวตัณหาไอ้ตัวไปติดเนี่ยคือตัวตัณหาติดแล้วมันติดสนิทด้วยนะถ้าไม่ได้ใส่มันไม่สบายใจเลยนะขนาดนั้นนะติดเนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวตัณหา วัตถุกรรมตัดสันติปริสัทสันติสัตตาเอตตายาติตันหานี่นะสัตว์ทั้งหลายย่อมยินดีติดใจซึ่งวัตถุกรมโดยธรรมชาตินะั้นธรรมชาติที่พระเดชให้สัตว์ทั้งหลายยินดีในวัตถุกรรมได้แก่ตันหานตัวนี้ได้แก่โลพา8นะตัวโลพา8เป็นตัวที่เข้าไปติดใจในวัตถุกรรมพอบอกว่าโลพา8ดเนี่ยโลพาดวงที่หนึ่งเนี่ยติดใจในวัตถุกรรมได้กี่ชิ้นได้กี่อย่างนี่จะเห็นอีกเยอะ โลภาดตวงที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยนะทั้งทิฏฐิสัมปยุทธและทิฏฐิวิปยุทธเนี่ยเราก็จะเห็นความชัดเจนของตัวโลพาตัวกิเลสกรรมที่เข้าไปยึดติดในวัตถุกรรมอีกมากมายและเชื่อไหมบางคนเนี่ยใช้โลพามาจนไม่รู้จักโลพา <c oughs> ้องทีเกิดจนโอ้โหจนชำนาญหมดแล้วจนชนิดที่จนมองไม่ออกว่าเขาเป็นโลภาแล้วขนาดนั้นจริงๆทีนี้ ตัณหาเนี่ยถ้ายินดีพอใจในรูปก็เรียกว่ารูปปัตนหายินดีพอใจในเสียงสัทธาตัณหาใช่ไหถ้ายินดีพอใจในกลิ่นคันทะตัณหายินดีพอใจในรสติดใจในรสก็คือราษาตัณหายินดีพอใจในโผฏพหะก็คือทำโผฏพหตัณหายินดีพอใจในธรรมมารมก็เรียกธรรมตัณหา ไอ้ความยินดีหอย่างนี้เนะี่ยมีอาการส6อย่างมีอาการ3ามาาร 3. มีอาการแบบเป็นกรรมตันหาอย่างหนึง่งมีอาการแบบภวะตันหาอย่างหนึง่งมีอาการแบบวิภวะตันหาอย่างหนึง่งเห็นไหนั้นไอ้ตัวตันหา6นี่แหละอาการของ6อย่างของเขาเนะ่ <c oughs> เขามีอาการอยู่3มอย่างมีอาการบางครั้งก็เป็นไปในส่วนของการมตันหา บางครั้งก็เป็นไปในส่วนของภวะตัณหาบางครั้งก็เป็นไปในส่วนของวิภาวะตัณหาถามว่าความยินดีติดใจในอารมณ์หกที่เป็นกรรมมาตัณหาเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงอะเราจะมองยังไงบอกไม่รู้ <c oughs> ไม่เป็นยังไงยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนะี่ย เขาบอกว่ารูปตันหาสัทธะตันหาคันธะตันหาราษะตันหโผูถะพัฒหาตันหาเหมือนกับตันหะธรรมะตันหาเนี่ยนะเธอบอกว่าลักษณะของตันหาอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเป็นไปในส่วนของกรรมะต ua, store, lah, like Lord Lord well ันหาภวะตันหาวิภวะตันหาเนี่ยความยินดีที่เป็นการมะตันหะนี่เราจะอธิบายทําความเข้าใจยังไงอ้ยินดีที่เป็นการมะตันหานี่เอาเห็นยังงเอายินดีอะไร ในขณะที่เรายินดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารมทั้งหลายนี่เป็นกามาตัญหาไหมสมบัติของกามาพบกามาพรมเป็นกามาตัญหาย้อนใหที่เรายินดีเนี่ยแต่อย่าแฝงนะถ้าตราบใดแฝงสัตสตาทิฐีเข้าไปอันนั้นเป็นภวะเป็นภวะตัญหาเห็นไหมถ้าแฝงไออยากได้ด้วยไอติดใจด้วยแต่แฝงเห็นว่าเที่ยงไว้ด้วยเนี่ยนี่เป็นเป็นอะไรเป็นภาวะตัญหาแล้ว แต่ถ้าบวกด้วยความเห็นว่าขาดศูนย์ไปด้วยนี่เป็นอุภาวะตันหาทันทีเห็นไหมว่ายินดีพอใจในะร่มหกนั่นแหละแต่อย่าบวกนะบางกลุ่มก็บวกสัตตตาทิฏฐิบางกลุ่มก็บวกอุเฉททิฏฐิเข้าไปด้วยก็ลายกลายเป็นอาการของตันหาสามอย่างแ ท, ท้จริงคือตันหาหกไหมตันหาหกนั่นแหละแต่มีอาการสามเหมือนกัฉะนั้นอาการเป็นไปของตันหามีสามอย่างในะตันหาหกอย่างเนี่ย ทีนี้ในอาการสามอย่างนั้นในอาการสามอย่างนั้นการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวตัญหานั้นในการใดรู ป, ปรตัญหานั้นแหละยินดีพอใจในรุมบารมที่มาสู่ครองของจกักขคู่ด้วยนั่นความยินดีนะถ้ายินดีพอใจด้วยอำนาจของโลภานี่นะโยมเช่นว่ายินดีรูปบารมที่เข้ามาสู่ครองของจักขคูทวารเนี่ยนะอันนั้นเป็นรู ป, ปรตัญหาไหมเป็นเป็นรู ป, ปรตัญหาและเป็นการมาตัญหาไหมละ่ะ แต่ถ้าความยินดีรูปารมณ์ที่เข้ามาสู่ครองของจกักขุทวนนั่นแหละและความยินดีนั้นก็เป็นรูปปตัตหานั่นแหละแต่มีทิฏฐิที่เป็นสัตสตาทิฏฐิบวกเข้าไปด้วยอันนั้นเรียกว่าภาวะตันหาแต่ถ้าในการใดรูปารมณ์เข้ามาสู่ครองของจกักขุทวานนั่นแหละยินดีบวกอุเฉท ท, ทิเห็นว่าขาดศูนย์ไปด้วยรูปารมณ์นั่นแหละเรียกว่า เิภาวะตันหาในรูปารูอัจจพิจารณาอย่างนี้ในสัทธารลมคันธารมและสาลมโพธพาลมและธรรมารมก็บวกกันไปอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าใจในกามมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตัหาเกิดบ่อยไหมอาจารย์โลกประจำใช่มเนี่ยมันจะบวกชีความเป็นไปและอาการเป็นไปของตันหาจะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าสามหกจึงได้เท่าไหร่ 18จริงๆเนี่ยฮะนี่แหละคือ18ทีนี้ใน18อย่างนั้นน่ยนะถามว่าตัณหาในอดีตเท่าไหร่ตัณหาในอดีต18บแปดไหมปัจจุบั น, นเท่าไหร่อนาคตเท่าไหร่18บสาเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่ภายใน54เป็นเท่าไหร่มันบวกได้หลายทางในการบวกเนะี่ยถ้าบางกลุ่มเขาบวกอย่างนี้ตัณหาเหล่านั้นตัณหาเหล่านั้นที่ในรูปภายในนะมีอยู่18 นายภายนอกก็มีเท่าไหร่สิบก็เป็น36 36นั้นเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันก็เป็นร0 8ด้วยประการอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าตัณหาร้อยแปดตัวนั่นนะมองเห็นใช่ไหมเช่นตัณหาในรูปอ่ะถามว่าถ้าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นบางทีนะบอกว่าตัณหาที่เป็นการ ม, มาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะวาตัณหาเนี่ยนะ ออืตันหาในมหาลีเทศนี่เยอะจริงเนาะถ้าไปขยายเนี่ยเววัจนาหา่าไวยพจน์ของตันหาหนุโโห้เยอะจริงมากชื่อตันหานี่มีชื่อมากจริงๆเออจะไปพิจารณาอย่างนี้อีกนิดนึงกันนะบอกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยนะถามว่ารูปเสียงกินรสโพธพาและธำมมารมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแกสัตว์โลกผ้าละหันกับผ้านาคามีเว้นออกไปใช่ไหม ตัณหาคือความยินดีพอใจในอารมณ์นั้นย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายโดยทั่วไปถามว่าตัณหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ในกามนี่นะหมายถึงตัณหาในกามเนะี่ยที่เวทน า, นาข่าวไปเนะี่ยาในรูปก็ว่าอีกทีใช่ไหมบุคคลทั่ ว, วไปเนี่ยนะถามบอกว่าตัณหาคือความยินดีในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะถามว่ามีอะไรเป็นปัจจัยมีเวทนาเป็นปัจจัยใช่ไหมอาศัยเวทนา ฉะนั้นเวทนานั่นเองเป็นปัจจัยทำให้ตัณหาเนเกิดขึ้นถ้าเรามองอย่างนี้มองบอกว่าไอตัวเวทนาสามเนี่ยนะสุขเวทนาที่เป็นวิบากเน่เป็นปัจจัยเวทนาปัจญญาตัณหาเนี่ยท่านทรงประสงค์เอาสุขเวทนาที่เป็นวิบากอย่างเดียวเท่านั้นนะใช่ไหมสุขเวทนาที่เป็นวิบากฉะนั้นเวทนาจึงเป็นปัจจัยอย่างเดียวแกตัณหาเนี่ยนะ ถ้ามองอย่างนี้เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตันหาได้อำนาจปัจจัยอะไรอุปนิสยปัจจัยใช่ไหมได้อำนาจของอุปนิสยปัจจัยเนี่ยในในในจุดจุดนี้นะเดี๋ยวไปพิจารณาอีกอย่างก่อนอว่าว่าไอลักษณะของตันหาจะบว่าบุคคลบางคนเนี่ยนะบอกว่าไอเวทนาปฏิยาตันหาคือสุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตันหาแต่ถ้าบุคคลที่กําลังประสบอัินิถารมแหะ คืออารมณ์ที่ไม่ดีได้รับความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ความลําบากต่างๆที่กําลังปรากฏเนี่ยในขนาดนั้นในตัวทุกขเวทนานั้นจะเป็นปใจใัจจัยเกิดสุขได้ไหมคนที่มีทุกขจะปรารถนาอะไรปรารถนาความสุขคนมีสุขแหละจะปรารถนาอะไรปรารถนาสุขยิ่งๆขึ้นไปใช่ไหมส่วนอุเบคาเวทนาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขนั่นแหละ เพราะเป็นธรรมะที่สงบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเวทนาสามที่จะเป็นปัจจัยแก่ตันหาจึงไม่แปลกมองเห็นนะจึงไม่แปลกแล้วเพราะถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทุกคนก็ปรารถนาสุขก็ด้วยหน้าของตันหาอยู่นั่นแหละถ้าสุ ข, ขเวทนาเกิดขึ้นสัตว์โลกก็ปรารถนาสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและในขณะเดียวกันตัวอุเบกขาเวทนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขที่สงบฉะนั้นก็ปรารถนาความสงบ ฉะนั้นเวทนาสามจึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตัณหาเกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยทีนี้ถ้าเว้นจากอนุสัยเสียแล้วเนี่ยนะตัณหาย่อมไม่เกิดใช่ไหมตัณหาจะเกิดได้เพราะอาศัยอนุสัยเพราะเวทนาเป็นปัจจัยฉะนั้นตัณหาจึงไม่มีแก่พรหมพูดจบพรหมจรรย์แหละมองเห็นอย่างคนไม่มีอนุสัยตัณหาจะเกิดไหมไม่เกิดแล้ว ฉะนั้นเวทนาเป็นปัจจัยน่ยนะตัณหาเวทนาของพวกบุคคลที่เขาละอนุสัยได้แล้วเวทนาของท่านจะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาไหมไม่เป็นแล้วเพราะท่านไม่มีอนุสัยเวทนาของท่านจึงไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเลยว่าเงี้ยไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาฉะนั้นในขณะที่ประสบการนิถารมณ์ได้รับความไม่สบายกายไม่สบายใจก็จะปรารถนาความสุขใช่ไหมก็ปรารถนาความสุข ขวัญขวายแสวงหาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ที่ตนกําลังได้รับอยู่อันนั้นก็เป็นอาการของทุกขาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหานั่นเองฉะนั้นการที่ขวัญขวายดิ้นรนในการที่จะหนีจากความทุกข์นี่นะเนี่นอนหลับนี่เป็นทุกข์ไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะนะนอนนี่เป็นทุกข์แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่มันง่วงเนะ่ยมันเป็นทุกข์ก็เลยดิ้นรนดิ้นรนนะ่เพื่อจะทําให้มันหมดทุกข์ด้วยการ นอนเน่ยนะปราถนาอะไรตั้นหานี้คือเวทนาไหมเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตั้หาเอ๊ะเป็นบุญหรือเป็นบาปมีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เขว่าไปเดี๋ยวนี้มีผลเป็นทุกข์ก็เอ๊ะแต่ไปลอกควนอย่าง น, นนะก็ว่าจะนอนยังมีคนลกควรดิเขว่าอย่างั้นทีนี้บุคคลที่อยู่ปกติรับอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นพิเศษอย่างใดขนาดนั้นเนะี่ย การอยู่การเสวยอารมณ์เป็นอุเบกขาในสภาพที่ความเป็นผู้สงบใช่ไมไม่มีความกำหนัดขัดเครืองในอารมณ์ต่างๆเนี่ยนะเวลาที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นจะมีความพอใจต่อความเป็นอยู่ที่สงบที่เป็นอุเบกขาก็ไม่ต้องไปดิ้นรนทะเยอทะยานใช่ไหมแล้วก็ปรารถนาว่าเออให้เราอยู่สงบอย่างนี้เถอะอย่าได้มีความทุกมามาเจีอปนเลยฉะนั้นตัวอุเบกขาเวทนาจึงเป็น ปัจจัยให้เกิดตัณหาเหมือนกั น, นโผสรุปล้วนหนีไม่พ้นเลยเนะสภาพของตัณหาเนี่ยฉะนั้นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วเบขาเวทนาก็ล้วนจะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาทั้งสิ้นนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวทนาปัจจญาตัณหานี่ถูกโดยประการใดทั้งปวงเนะ <c oughs> ถ้ามองอย่างนี้เราหนีไม่พ้นตัณหากันเลยนี่ในสมโมหาวิโนทนีนะอัตถกถาท่านแสดงเอาไว้บอกว่าเวทนาเป็นปัจจัยนะแก่ตัณหาเนะย ท่านแสดงถามว่าตัณหาหกที่เราเรียนกันเนี่ยมาจากที่ไหนบอกมาในสัมโมหาวิโนทนีอัตกถาอัตกถาที่อ่านแล้วจะหมดความหลงความงมงายนะใครใครต้องการหมดความหลงความงมงายก็ไปหาคามพีนี่อ่านสัมโมหะวิโนทนีอัตตกถาอ่านแล้วจะไม่หลงงงคำพีนี้บรรเทาความหลงความมัวเมาในพุทธพจน์ได้แต้จริง ที่จริงเหมือนคำพีเนติเหมือนกันคำว่าหาละหาราเหมือนกันเขาก็ต้องบอกว่ากำจัดความหลงความงมงายความไม่เข้าใจในพุทธโพธิ์วนั่นเองก็คือทำให้ไม่ปฏิบัติผิดไม่เข้าใจผิดแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การตัดรู้จัดจธรรมทั้งสี่ว่างั้นโห้ยคนก็เลยเสกอยากศึกษากันใหญ่ นะเข้านะเขาว่าอันนั้นก็อยากศึกษานี่ก็อยากศึกษาไปไปมาอะไรเป็นปัจจัยแกอะไรโอเอธานาเป็นปัจจัยแกตันหายาจนนเข้ทํำมาตันหาความเยินดีพอใจในการศึกษาพระธรรมยังเป็นทำมาตันหาอีกนะดูตีมหนีไม่พ้นเลยเนี่ยแต่อย่างนี้ดีไหมแต่มนสิการไม่ให้เป็นตันหาดีกว่านะถึงจะถูกต้องให้ตันหาไม่มีดีนะแต่ตรงเนี้แต่แต่จริงๆไม่ดีนะ เนี่หยหลายหลายๆคนที่เดี๋ยวนี้เขาทํากันอย่างนี้รู้ป่ะเขาเอาตัญหาเป็นตัวล่อเข้ามาหาพระธรรมมึงนันที่จริงอ่ะการเข้ามาผิดหรือถูกอเป็นงั้นจริงนะเขาเรียกว่าการเข้ามาก็ขาดโยนวิโสมณิสิการนะ mm hmm. คือผิดตั้งแต่ก้าวแรกแล้วตั้งแต่ก้าวแรกแต่อย่างว่านะถ้าผิดมาแล้วก็มาตรึกให้ถูกมันก็ไม่เป็นอะไร mm hmm. แต่ปัญหาว่าถ้าผิดแล้วผิดเลย mm hmm. โอ้ไปใหญ่เลยตอเนี้ย มันก็ไม่เป็นไรมันก็ยังดีก็ยังดีกันอยู่ น, นั่นแหละยังเถียงอยู่ น, นั่นนะอ <c oughs> ก็ยังไปเถียงพระพุทธเจา้ายังดีว่างนั้นนะไอ้ดีนะมันดีแบบตันหามันไม่ได้ดีแบบโยนิโสมนสิการมันไม่ได้เป็นไปเพื่อละตันหานะถ้าอย่างนี้อะจัดลงในจัดลงในวินัยไม่ได้เลยลงในสูตรจัดลงวินิัย ใ, ใส่ในธรรมดาก็ไม่ได้ก็อย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่ใช่ทำไม่ใช่คําสอนของ พระพุทธเจ้าทันทีเลยเป็นอย่างนั้นเขาบอกการการสนทนาพระธรรมกันเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งลงอริยสัจได้ไหมใส่ในวินยัยเออบอกลงในวินัยได้ไหมบอกว่ากําหนดลงในสูตรคือคือคืออริยสัจได้ไหมแล้วก็จัดลงในวินยัยราคะวินยัยโทสะวินยัยโมห oh ะวินัยได้ไหมใส่ลงในธรรมดาได้ไหมทําไม่ได้ทั้งสามอย่างอันนั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็พึงลทำยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสประการสุดท้ายคือรมเมตต์หาธรรมตัาหาธรรมตัาหาได้แก่ความยินดีติดใจในธรรมารมตามธรรมดารูปารม์กระทบจากขรุษศาสเป็นเหตุให้เกิดอะไรจากขุญใช่ไหมการเกิดขึ้นของธรรมสามประการนี้เรียกว่าภาษะภาษาเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเห็นเมื่อว่าโดย เมื่อว่าโดยบุคคลขณะที่จักคูวิญญาณเกิดขึ้นยังไม่มีความรู้สึกในการเห็นเกิดขึ้นใช่ไหมวิถีติดต้องเข้าถึงชานะหลายๆชานะด้วยซ้าไปบางชานะแรกก็อาจจะพอมีบางจึงจะมีความรู้สึกในการเห็นเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่ชัดเจนทีเดียวต่อเมื่อถึงมโนทวารและวิถีใช่ไหมอตีตักสโมหักอัทถนามัคคาวิถีไปตามลาดับ <c oughs> ย่อมเกิดความรู้สึกในการเห็นเล็กๆในน้อยขึ้นได้แล้วหรือตัณหาเริ่มก่อได้แล้วในจกักุทวาริถีทั้งนี้เพราะผู้นั้นยังมีตัณหาหนูสัยเวทนาจึงเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเวทนาจึงเป็นปให้กับตัณหาเกิดขึ้นได้ยกตัวอย่างในจกักรทวาริกาอติมหันตารมวิถีก่อนที่จะลงมโนทวารวิถีเนี่ย ก็จะลงอตีตักสมูหักอัฐานามักเนี่ยนะถ้าเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาในชาวนะเนี่ยเวทนานั้นต้องเป็นเวทนาที่อยู่ในจกักขูวิญญาณเข้าไหไอเวทนาในจกักขูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ตัณหาในชาวนาและเวทนาในจกักขูวิญญาณ น, นี้แหละยังไปเป็นปัจจัยแกตัณหาในมในมโนทวานวิถีในชาวนาต่อๆไปอีกด้วยมีกำลังมากขึ้นไหมล่ะ มากขึ้นใช่ไหมก็จากที่ชอบนิดเดียวกลายเป็นชอบมากขึ้นมาได้ไอติดใจนิดหน่อยกลายเป็นติดใจมากขึ้นมาได้ก็เพราะไอเวทนานี่แหละเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาในชวนะต่อๆไปตัณหานุใสมีอยู่อพดดออย่างละไม่ได้ฮะก็มีเวทนาเป็นปัจจัยหรือเปล่าแน่ น, นอนแน่ชัด เ, เกิดตลอ ด, ด, ลอดไม่มีกลางๆแล้ว เห็นไหมตัวเวทนามันคอยเป็นปัจจัยเกิดตัณหาอยู่จะเป็นไงมะเข้าใจคาว่าฝุ่นในเล็บกับฝุ่นในปฐพีเรือยังถ้าหากว่ามองในลักษณะอย่างนี้เราจะเห็นคาว่าเพราะฉะนั้นแหละไอ้โลกใบนี้มันจึงมีของสวยๆเงาๆเยอะจัดเพราะตัณหาเฟื่องฟูไหมนะตัณหาจะเฟื่องฟูมากเกิดได้ทำไมไม่ได้ก็ยังจําได้ไหมที่พูดมา บางครั้งก็เดินผิดทางบางครั้งก็เดินหลงทางไนอะ้คนตาบอดเนะี่ยถ้าคนตาบอดเดินถูกทางก็เป็นเรื่องปกติผิดทางก็เป็นเรื่องปกติ <แว S 1> ข้องเท้าเลยนะก็ใช่เลยฉะนั้นคําว่าสังสารวัตที่มันยาวนานที่ไม่มีเบื้องต้นเนี่ยหมที่ว่าสืบเจาะหาไปจริงๆเนี่ ย, ยกนย็น่าจะนี่ไงลักษณะอย่างนี้เขาจึงบอกว่า สภาวะของตัณหาที่มันเกิดขึ้นนะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้นะเนี่ยั้นความรู้สึกที่เห็นต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าหากผู้ที่ปราศจากตัณหาหนูใสยอย่างเช่นายกตัวอย่างเช่นกลุ่มบุคคลที่จเจริญสติปัฏฐานแต่ก่อนที่จะเจริญสติปัฏฐานในกลุ่มนั้นจะต้องมาดีแล้วเนะี่ยมาจากการฟังที่ถูกต้องก่อนนะโอหมีการครบรยาณมิตรใช่ไ มีการฟังประสัทธรรมธรรมโยนิโสมนัสิการให้เกิดขึ้นสํารวมบินทรีย์มีสุจริตสามเน่ยธรรมพูดกลางๆแล้วเนียบอกจเจริญสติปัฏฐานเนี่ยทุกวันเนี่ยรีบกันจังนะรีบมากจะไปนิพพานแต่ก็ยังวนๆกันอยู่แล้วยังเหนื่อยกันอยู่นะนะถามว่ารีบได้ไหมถามว่ารีบได้ไหมถ้าเรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแลเราจะจ ะ, จะจะจะจะพ้นทุกเนี่ยถ้ายังไม่รู้อะไรสักอย่างเลยให้ฉันพ้นทุกฉันไม่เอาหรอก ไม่รู้พ้นอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เชื่อวพ้นเี พ, นพ้นแบบเราพ้นไงไม่ใด่พ้นแบบพระพุทธเจ้าพ้นไงนี่เป็นอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสเข้าไว้ในสังยุตตาลีจักขรวิญญาณย่อมเกิดขึ้นพ่อสายจักขรวิญสาณกับรูปรม์การประชุมเมืองทำสามประการเนี่ยนะการประชุมกันของจักขรประสาณรูปารม์และจักขรวิญ ญ, ญ, ญาณนั่นแหละเชื่อผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเอ เวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาฉนันเวทนาเป็นเหตุเป็นการแสดงตามธรรมมาธิฐานและเป็นไปตามปุคลาธิฐานส่วนมากเท่านั้นไม่ได้เป็นไปทั้งหมดนะสัทธาตัณหาคันทะตัณหาราสาตัณหาโพธพัตตัณ ห, หาเนี่ยก็จะไล่ไปในลักษณะอย่างนี้แล้วแต่จะเอาทวารไหนขึ้นมาเป็นตัวตั้งนะ ถ้าเราเอาโสตะทะวารมาเป็นตั้งนะโสตโเสียงใช่เอาเสียงเอาโสตประสาทเอาโสตวิญญาณประชุมกันก็เป็นโสตสัมผัสโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเกิดโสตสัมผัสาชาเวทนาโสตสัมผัสาชาเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาทั้งสามประเภททั้งกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหารําดับแรกคือเป็นปัจจัยให้กับ โสตทวารละวิถีในโชวนะในตัณหาในโชวนะนั้นๆใช่ไหมและในขณะเดียวกันก็จะเป็นปัจจัยให้กับตัณหาในมโนทวารลวิถีตามลําดับซึ่งปารลบอะไรปารลบเสียงนั่นแหละแล้วก็เกิดตัณหาใช่ไหมกลายเป็นสัทธะตัณหายินดีติดใจในเสียงเรื่อยๆเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีตัณหาไม่ต้องบอกแล้วว่าจะต้องทํากรรมกรรมที่ทํานั้นเป็นกุศลหรืออกุศล โดยมากเป็นอกุศลอยู่แล้วมีไหมว่าตัณหาเป็นวจัยเกิดกุศลมีทำไมไม่มีแต่เป็นปัจจัยที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกาั้นตัณหาเป็นตัวประกอบออกจากวัตฏะไม่ได้ก็วนๆอยู่ในวัตฏะทุกนี่เลยมันเป็นอย่างนี้ถ้าตัณหาเกิดนะจริงๆในกลุ่มที่ผู้ศึกษาพระธรรมหรือศึกษาปฏิจจาเนี่ยเขาศึกษาเพื่ออะไรเขาศึกษาเพื่อจะ ออกจากวะะัฏะใช่ไหมไม่ใช่ศึกษาเพื่อที่อยากจะเกิดเป็นเทวดาวไปใช่หรือเพื่ออยากจะต้องการทําขันในตัวเองให้มันดีดกว่าขันปัจจุบันก็ไม่ใช่มันไม่ใ ช, ใช่เพราะมันเสี่ยงมากอัตราเสี่ยงสูงมากใช่ไหมนี่เป็นไปอย่างนี้ส่วนธรรมะตัญหาละ่ะหมายถึงขณะที่เราลึกถึงอะไรธรรมะตัญหาเนี่ยเราลึกถึงอะไรธรรมารมในที่นั้นคืออะไรกลุ่มนิวร์เนี่ยนะ กรมขันห้าเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเนยลยกรมขันห้ากลุ่มอายตนากลุ่มธาตุเนี่ยกรมพวกนี้ยเป็นธรรมะตัญหาทั้งนั้นใช่ไหมหรือระลึกถึงโลภะโทสะ โ, โมหะถีนมิธาที่เป็นฝ่ายกุศลและระลึกถึงศรัทธาสติวิริยะเป็นต้นเนี่ยการเห็นการได้ยินการการหลับการนอนเป็นต้ น, นคู่เหยียดก้มเงยเนี่ยยินดีพอใจในลักษณะอย่างนั้นเป็นธรรมะตัญหา ในมัชิมันิคในมชัชมัปันนาอัฏกถาท่านแสดงความยินดีพอใจในการเจริญสมถะความยินดีพอใจในการเจริญวิปัสนาธรรมราเคนธ ร, รรมนันทิยาติปัฏฐว่าเยหิสมถาวิปัสนาสุฉันทราโขวุตโตก็แปลว่าวอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถึงความยินดีติดใจในการเจริญ สมถะและเจริญวิปัสสนาในสองบทนั้นว่าธรรมราเคณะธรรมนันทีหมายความว่าฉันทราคะที่เกิดในสมถะและวิปัสสนานั้นชื่อว่าธรรมตันหาเั้ือนกันะแต่ความยินดีพอใจในการเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมตันหาดีไม่ดีถูกไหมเนี่ยไม่ถูกนะเงี้ยนะฉะนั้นความยินดีพอใจในการเจริญสมถะและวิปัสสนานั้นเป็นธรรมตันหานะ เป็นธรรมะตัณหาถ้าหากวิพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นทันทีนะว่าในกลุ่มของสมถะกรรมฐานทั้งทั้งสี่สิบเนี่ยนะกะสินสิบอสุภา1ิโกธานาปนาปิยามนาทุกขิตกขัตสสุ ข, ขิตสสัตเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของอรูปกรรมฐานสี่อปมัญญาสีพวกพุทธานุสติเป็นต้นเหล่านี้ถ้าไปเจริญด้วยอานาจของความติดใจความยินดีพอใจแล้วเนะี่ย ที่พอไปปฏิบัติแล้วอู้ยชอบใจมากๆ ม, มันเย็นมันสนุกมันสงบเป็นต้นเหล่าเนี้ยนั่นแหละเป็นธรรมะตัณหานะว่าเงั้นน่ยปฏิบัติไปพ้นทุกได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ใช่พรกลายเป็นธรรมะตัณหาแล้วพอไปยินดีติดใจพอใจทีนี้ถ้าไปเจริญวิปัสสนาล่ะไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอู้ยพอใจมากตัวเองใช่ไหมเพราะตัวเองเห็นเนี่ยนะ เห็นล้วชอบใจดีใจว่าเออเรามาถูกทางแล้วดีว่างั้นน่ะกํกำหนดทีลรก็เห็นทันทีแยกแยกละเอียดแล้ววสตินี่ดีจริงๆิการมีสติไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเลยเขาพากันหลงไอเรานี่เข้ามาถูกทางแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัณหานี่แหละธรรมะตัณหามันมันเปรียบเทียบเรื่อยเลยนะ บางทีแม้มันรู้สึกยืดยืดยัดยงไงชอบควนนะ น, น, น, นั้นในขณะที่ก็เห็นเขอื่นเขาทกเนี่ยนะชอบใจเพราะโอ้ยเรากําหนดได้แล้วเรามีเมตตาเงี้ยน่ะเรานี่เวลาแผ่เมตตาไปให้บุคคลอื่นโอ้ยขอให้เขามีความสุขความเจริญน้อยชื่นใจมากแต่ลืมนึกไปว่าเมตตาของเรานะ่ยหูยยังจํากัดจำกเขียว ม, มากเพราะมันยังไม่ทะลุปู่โป่ปงกับทุกๆอารมณ์เลยใช่ไหมลองคิดเวลาไหนก็เมตาเมตาได้เวลานั้นได้ไหมล่ะ เมตตาได้ขนาดนั้นไมนมองทุกคนทุกคนก็ปราถนาให้เขาบรรลุพระนิพพานกันได้หมดเลยนะเพราะมองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นทันทีเลยว่าเมตตาของเรานั่นมันกระท่อนกระแท้นพูดอีกทีก็บอกเราเนี่ยบางครั้งมันคน ไ, ไ, ไร้เมตตาจริงๆนะึงเลื่องไร้น้ำใจเนะี่ยแค่จะคิดให้เขามีสุขคิดให้เขาพ้นจากทุกข์คิดให้เขา ป, ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยคิดแค่นี้คิดไม่ได้ ไล้น้ำใจมหยโยมูบางครั้งเราไล้น้ำใจมาแค่นั่งคิดเฉยๆเนี่ยเนืไม่ต่อเดี๋ยวไปทำอะไรให้เขาเนะ ย, ยังทำไม่ได้นั่นแหละคือผู้ปฏิบัติธรรมในยุคนี้เป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าอุย้ยจะเจริญกุศลกันเนี่ยมันทำไมเรต้องจำกัดเนี่ยมั้ยถ้ากับคนนี้เราเมตตาอุย้ยปรื้คล่องมากว่างั้นเนะย แต่ถ้าไปหายอีกคนนึงแล้วโอ้โหอึดอัดมากบอกไม่ได้ไม่ได้คนนี้พักไว้ก่อนนะเนี่ยเมตตาเราจะเป็นแบบนี้แสดงให้เห็นชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเรามันยังไม่ตลอดสายนั่นแหละคือการเข้าใจปฏิจจายังไม่ชัดถ้าเข้าใจปฏิจจารตลอดสายแล้วมันจะเห็นคนทุกคนแล้วอยากจะแผ่เมตตาอยากจะแผ่กรุณามุติตาและอุเบกขาให้กษัตริย์เหล่านั้นได้อย่างจริงๆนะแล้วทุกเวลาด้วยในขณะที่มีสัตว์เป็นอารมณ์ บางคนเขาไม่ได้แรงน้ําใจอะไรเลยนะเขาคิดแล้วก็แผ่เมตตาได้ทะลุโปร่งเลยนะแต่อย่างคนที่ยังฝึกใหม่ในพระศาสนานี้คิดยากมากเอาแค่จะแผ่เมตตาเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องทําดีนะเอาแค่คิดให้มันดีก่อนนะแค่นี้ก็ยากแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรานั้นไร้น้ําใจนั่นแหละว่าแทนถ้าในกรณีการปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาเขาพยายามตรึกตนเองให้รอบเนี่ย คนอื่นจะปฏิบัติอย่างไรงนั้นเอาไว้ก่อนขอให้เราเข้าใจเขาถูกก่อนอย่าพยายามไปให้เขาเข้าใจเราให้ถูกเมื่อกันนะคือพยายามเข้าใจให้ถูกตามพระธรรมก่อนถ้าตรึกพิจารณาจนรอบครอบได้อย่างนี้เนะี่ยตัณหาจึงจะไม่เกิดเพราะอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องผิดเรื่องถูกตรงนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมการไปคิดแทนคนอื่นเนี่ยยากมาก จะหลายหรือไม่หลายแต่แน่ๆที่เราเห็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่พยายามฝึกตนเองให้เข้าได้ให้สามารถทำได้อย่างนั้นดีๆว่าในที่สุดจริงๆจนสามารถมองคนทุกคนและเราเมตตาคนได้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าไม่ขัดแล้วไม่ขัดสนเมตตาเม่เขาเรียกเริ่มไม่ยากจนแล้วเริ่มไม่อนาถาในพระธรรมวินัยแล้วพระพุทธเจ้าเริ่มจะอ้าแขนรับคนท่านบูนันแล้วตัณหามีอาการสามนะ กามตัญหาความยินดีติดใจในอารมณ์ที่เกี่ยวกับกามคุณนะนะมาจากคาว่ากาเมตีติกาโมสภาวะธรรมใดย่อมเด่นดีอยากได้ในอารมหกฉะนั้นสภาวะธรรมนั้นชื่อว่ากามตัญหาเนี่ยคำว่ากามตัญหาในที่เนี้ยพูดถึงสองส่วนถึงกิเลสกรรมและวัตถุกรรมด้วยพ่อกามมกามศัพท์สัพ์นี้ก็แปลว่าอะไรเนี่ยกามมากามมนี่ยเาแปลว่าอะไร คือความใคร่เนี่ยนะคว่ากามตันหาเนี่ยเพราะสภาพของตัญหาเนี่ยนะกลุ่มที่บอกว่าในในในในสภาวะของตัญหาเนี่ยมาจากคำว่าอะไรธรรมชาติใดย่อมอยากได้เพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าตัญหาเนี่ยก็ได้แก่ตัญหา6ใช่ไหมมาจากคำว่าปริตตัดสติติตัญหาเนี่ยในอภิธรรมมัทาวิภาวณี วิภาวันี้ขยายออกเป็นร้อดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยนะทีนี้ถ้าพูดถึงเกี่ยวในเรื่องของคําว่าไอ้ตันหาอีกอย่างก็บอกว่าสภาพตันหาไ อ, ตาาอา้ตันหา3อย่างามมาตันหา3อย่างกามมตันหะเาะว่ตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยนะคำว่ากรมะกรรมะความไข่ด้วยตันหาด้วยชื่อว่ากา ม, มาตันหาความอยากไดอารมหก ติดใจในอารมณ์หกโดยกามาตัณหาแต่แก่ตัวนี้ตัวโลภะเจตสิกเนี่ยไอความไข้แล้วก็เป็นตัณหาลักษณะนั้นชื่อว่าสภาพของตัณหาไอตัณหากับอุปาทานเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมถามว่าสภาพของตัณหาเนี่ยเขาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเวลาไปศึกษาอุปาทานเนี่ยเขาจะเขาจะเปรียบเทียบไอตัณหากับอุปาทานให้เห็นตรงนี้เปรียบเทียบสักนิดหน่อยให้เห็นจุดตรงนี้นิดนึงนะว่า ความอยากได้ที่มีกําลังอ่อนเนี่ยเรียกว่าตัณหาแต่ถ้าความอยากที่มีกําลังมากเรียกว่าอุปาทานถ้าความอยากที่ยังมีกําลังอ่อนๆอยู่เนี่ยเป็นตัณหาแต่ถ้าความอยากนั้นพัฒนาตัวขึ้นจนมีกําลังมากขึ้นเป็นอุปาทานเนี่ยนะถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ตัณหาเป็นเหตุของอะไรตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะต้องแสวงหาอุปาทานเป็นเหตุของทุกข์เพราะ รักษามันทุกข์เพราะสแสวงหาทุกข์เพราะรักษาไอตัวตั้นหาเมื่อเกิดขึ้นมาก็จะสแสวงหามันเป็นทุกข์และจะต้องดิ้นรนสแสวงหาส่วนอุปาทานนั้นเป็นทุกข์เพราะรักษาเพราะยึดเพราะยึดถือไว้อะไรอะไรทุกขกว่ากันสแสวงหากับรักษาเนี่ยแหมอยากจะได้คนนี้มาอยู่ด้วยเป็นตั้นหาพอได้มาแล้วเป็นโอ้อุปาทานยึดใหญ่เลยตรเนี้ยไม่อยากให้ไปไหนแล้ว มองพออพเห็นแล้วยืดแล้วมองที่ลายก็ยิ่งปลื้มใจทุกวันนั่นนะบางคนบางคนก็บอกมองผ้าชิ้นเดียวยังดีใจเลยก็กว่าือนนั้นยึดยืดแค่ผ้าชิ้นบางคนบางคนบางคนเข้าใจดีจังเลยเนะเพราะเรื่องตังนนะแต่นี่ ไอตอนเขาบอกไอตอนที่ทำมันมันรู้สึกมันมัวมันเหลือเกินนีเมามันเหลือเกินเนี่ยแต่ฝนที่ออกมาเด้วยเจ็บปวดมากเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่ายินดีบางทียินดีผ้าชิ้นเดียวใช่ไหมเนี่ยสมเป็นผ้าชิ้นแล้วไดย้ยินดีมากแล้วมันก็เป็นเหตุแห่งการทําให้ตันหาวิวัฒนาการอีกมากมายที่เกิดขึ้นมาเนาะตามม่ได้วยความยึดถืออะไรต่างพอตายปุ๊บปฏิสนทิพอพอปฏิสนทิสมมุติเป็นเปรต ต้องมาเฝ้าผ้าผื้นนั้นเนี่ยโอ้ยตอรมานจริงๆนะต้องมาเฝ้าผ้าผืนนั้ น, นและเป็นผ้าที่เราเคยชื่นชมมากๆนี่โหยยหาผ้าอย่างเดียวเลยนี่ร้องเวลาคนเอาผ้าไปร้องร้องเลยสัตว์โลกเป็นอย่างเงี้ยประการต่อมานะประการต่อมาเกี่ยวในเรื่องของภาวะตันหา ตัณหาที่เกิดพร้อมกับสัตสตาทิฏฐิด้วยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโภพภะที่กำลังได้รับอยู่มีความเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นย่อมตั้งอยู่เป็นนิดไม่ไปเข้าใจความเกิดและความดับของสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงว่าไงเ น, นคือไม่ได้เข้าใจรรมาจากคาว่าภวะติติภาวเนี่ยนะธรรมชาติใดย่อมเห็นตัวตนที่อยู่ในอารมณ์ทั้ง6นั้น ปรากฏอยู่เสมอไม่สูญหายฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อภาวะภวะคือความเห็นว่าเที่ยงได้แก่ได้แกส่สัตสตาทิฏฐินะ่ภาวะเพราะอัตว่าเลยเป็นภาวะด้วยตันหาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าภาวะตันหาเหตุนั้นจึงชื่อว่าภาวะตันหาทีนี้ถ้าเกี่ยวกับรูปารมณ์ใช่รูปารมณ์ที่มาเข้าสู่คลองแห่งจักสุ เป็นไปด้วยอำนาจแห่งความยินดีในการในการใดในการนั้นเป็นการ ม, มาตัญหาเมื่อใดเป็นไปด้วยอำนาจแห่งความยินดีด้วยมีทิฏฐิเข้ามาเจือปนอยู่ด้วยนะไปเห็นว่าสิ่งนั้นนั่นแหละเที่ยงบ้างยั่งยืนบ้างดังนี้นะลักษณะอย่างนั้นเป็นทวัตัญหาเป็นตัญหาที่สหรคตด้วยสัตส ต, ตทิฏฐิโลภะบวกอะไร บวกทิฏฐิอันนี้ต้องเป็นโลพาทิฏฐิขตสัมปยุตที่ไปยึดอารมณ์นั้นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของดีงามเนี่ยนะเที่ยงมั่นคงเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นเป็นภาวะตันหานะนี่เรียกว่าภาวะตันหะฉะนั้นโลพาที่สองคตกสัตตสตาทิฏฐิที่ไปเห็นว่าเที่ยงเนี่ยในสุตตามหาตกรถาท่านแสดงไว้บอกว่าความเย็นดีพอใจใน อัตภาพในการมาพบในการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาความยินดีพอใจในรูปประพบไปเกิดเป็นรูปภพมใช่ไหมความยินดีพอใจในอรูปปพไปเกิดในอรูปปพความยินดีพอใจในฌานสมาบัติในรูปฌานอรูปฌานความยินดีพอใจในสัสตตตถิทิเขียนว่าสัตว์ทั้งหลายมีตั ว, ม, ตวมีตนและก็ตนเองก็ไม่ขาดศูนย์ว่าไ ง, งา ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวะตันหาถ้าหากในอัตกถาบาลีท่านแสดงบอกว่าความยินดีพอใจในพบชื่อว่ า, าวะตันหาภาวะตันหาก็จะแก่ราคาที่มีความปรารถนาการมาพบอย่างหนึ่งราคาที่เกิดพร้อมด้วยสัตสตาทิฏฐิอย่างหนึ่งราคาที่เกิดพร้อมด้วยรูปประพบอรูปภพอย่างหนึ่งราคาที่เกิดความพอใจในฌานสมาบัตินั้นอย่างหนึ่งเห็นไหม ฉนันความยินดีพอใจในพบเนี่ยเป็นภาวะตันหาอันนั้นในอัตถกถาท่านแสดงเข้าไว้อย่างนี้ในอัตถกถาบาลีนะในสุดตันตะมหาตถาท่านแสดงไว้ห้าอย่างทีนี้ถ้าหากเป็นวิภวะตันหาล่ะได้แก่ตันหาที่เกิดพร้อมกับอุเฉททิฐิโดยอาศัยอารมณ์6 ผู้ที่มีความเห็นว่าในอารมหกซึ่งได้แก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งในโลกนี้และมีตัวตนอยู่เนี่ยนะไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดไปกลุ่มนี้เห็นว่าขาดสูญหายไปแล้วก็ยินดีพอใจในอารมณ์นั้นด้วยในความเห็นในลักษณะอย่างนั้นด้วยเนี่ยความเห็นอย่างนี้อันนี้จัดเป็นอะไรจัดเป็นวิภาวะตัณหา เนั้นธรรมชาติใดย่อมเห็นตัวตนที่อยู่ในอารมณ์นั้นแล้วไม่สามารถจะตั้งอยู่ตลอดไปย่อมสูญหายฉะนั้นธรรมชาตินั้นเป็นวิภวตัณหาเพางั้นเป็นวิภวตัณหาเอาเกี่ยวกันในเรื่องของตัณหาต่อนะในเรื่องของตัณหาในส่วนของวิภวตัณหาได้แก่ตัณหาที่เกิดพร้อมโดยอุเฉททิตติโดยอาศัยอารมณ์หกนะ เช่นมีความเห็นว่าอารมณ์หซึ่งได้แก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนีในโลกเนี้ก็คืออารมณ์หนั่นแหละใช่ไหมไปเห็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีตัวมีตนและตัวตนนี้ไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดย่อมจะสูญหายไปความยินดีติดใจในอารมณ์นั้นหรือมีความเห็นว่าใครก็ตามเมื่อตายลงแล้วก็ขาดสูญไม่เกิดใหม่อีกเลยเนี่ยเห็นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า วิภวะตัณหามาจากคาว่าณภวะติติวิโวเนี่ยนะธรรมชาติใดย่อมเห็นว่าตัวตนที่อยู่ในร่์นั้นไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้ตลอดไปย่อมสูญหายไปฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิภวะหรือหรืออีกในหนึ่งธรรมชาติใดมีความเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วย่อมสูญหายไปไม่เกิดต่อไปอีกฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิภวะได้แก่อุเฉททิฏฐิ วิภโวจ่าโซตัญหาจาตตวิภวะตันหาเนี่ยนะว่าวิภเวตัญหาวิภวตันหาธรรมชาติได้เห็นว่าตัวตนที่อยู่ในอารมณ์หกนั้นไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดไปนี่เข้าใจอัตตาแล้วนะเข้าใจว่าอัตตาคือตัวตนนั้นสูญหายไปและยินดีติดใจในอารมณ์นั้นด้วยความเห็นประเภทนี้เป็นวิภวะตัญหาฉะนั้นความยินดีพอใจที่เป็นอุเฉททิฏฐินั่นแล้วเป็น วิภวะตัณหาโลภะเหนีหนโลภะที่ในทิฏฐิขตาสัมบยุตจิตสแต่บวกกับอุเฉททิฏฐิคือเห็นว่าขาดศูนย์นี่เป็นอย่างนี้พอไปเห็นว่าขาดศูนย์เลยกลายเป็นวิภวตัณหาราคะสองรคตด้วยอุเฉททิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี่ยนะยินดีพอใจในรูปใช่ไหม ยินดีพอใจในเสียงในกลิ่นในรสในผพถั่ะเนี่ย